อรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะโกวัโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมัสสะวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สวากาโตภะวัตตาธโมติอิมัสสะธรรมะปริยายัสะมัทโธสาทายัสมันเตหิสกัจังธโมสุัมโมติณโอกาสบัดนีจะได้นำธรรมะ ว่าถึงคุณของประธรรมมาแสแดงสู่กันฟังวันนี้เป็นวันธรรมสวนาะคคือวันฟังธรรมประจำสำหรับพวกเราและก็เป็นวันปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรม ประจำสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายก็มุ่งต่อการปฏิบัติทางด้านจิตใจเป็นหลักสำคัญแต่ในขณะเดียวกันเราก็จำต้องปฏิบัติขัดเกลา ภายนอกคือกายและวาจาของเราไปรอมด้วยหรือตามปกติแล้วเราก็จะต้องมีการสํารวมรักษาปฏิบัติอยู่กันเป็นประจำโดยเฉพาะ คือกายและวาจาส่วนจิตใจนั้นก็เป็นบางครั้งบางคราวบางการบางเวลาแต่แท้ที่จริงการปฏิบัติอบรมตัวตนของเรานั้นเป็นอาการิีกูไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่เป็นต้นปฏิบัติได้โดยไม่เลือกสถานที่ปฏิบัติได้ทุกเวลารวมทั้งตัวของเราด้วยการเจริญธรรมนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียกว่าภาวนาจิต คำว่าภาวนาจิตนั่นตามที่เราเข้าใจตามขนบธรรมเนียมได้แก่วิธีของการนั่งสมาธิก็ดีการเดินจงกรมก็ดีนี่เป็นวินลักของการปฏิบัติที่เรา เห็นกันอยู่เสมอและเข้าใจกันแต่แท้ที่ทิงการฝึกฝนอบรมจิตของเรานั้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เลือกการเวลาสถานที่แรกก็ไม่ได้กำหนดหมายตายตัวถึงเรื่องของการของพิธีการ ความจริงแล้วท่านในปวกเราฝึกฝนอบรมอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าการที่เราจะทำได้เช่นนั้นนะ่ะมันเป็นของยากมันไม่ใช่ของง่ายพระเรียเจ้าทั้งหลายเข้าใจว่าท่านทำได้ แต่การที่ท่านจะทำได้อย่างนั้นท่านก็เริ่มต้นจากจุดของการฝึกฝนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละเพราะในตัวของคนเรานั่นเราทุกคนจะยังความเป็นคนไว้ได้ไม่เป็นอื่นนอกจากคนเพราะคุณธรรมสองประการเท่านั้น ได้แก่สติแปลว่าเราลึกได้สัมปชัญญะแปลว่าความรู้ตัวหรือความรู้พร้อมคุณธรรมทั้งสองประการนีเ้เป็นธรรมชาติมีอยู่ในมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปโดยเฉพาะก็คือมนุษย์การที่เราทุกคน จะอยู่ในวัยใดก็ตามคือประถมมวัยก็ตามมัชชิมมวัยก็ตามปัจจิมมวัยก็ตามตลอดถึงได้รับสมมุติให้เป็นต่างๆเช่นสมมุติว่าเป็นพระเป็นเนรเป็นลูบาศกุบาศิการักษาสินแปรลูกกรรมบทสิบ จะทรงเพศคือนุ่งขาวห่มขา ว, ห, ว, ขาวหรือไม่ก็ตามตลอดถึงการได้รับสมมุติเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีทุกกระทรวงทบวงกรมอธิบดีหัวหน้ากองหัวหน้ากรมหัวหน้ า, าแนกจนถึงผ่านลงก็ดีรวนเร็วจะสมมุติทั้งสิ้น และมนุษย์เราสามารถทรงความที่เขาสมมุติไว้ได้นั้นก็เพราะคุณธรรมสองประการคือสติแปลว่าเครื่องระดุกได้สัมผัญยะคือความรู้ตัวจึงจะสามารถดำรงทรงอยู่ภาวะในความเป็นเป็นโดยธรรมชาติและก็เป็นโดยสมมุติเอาไว้ได้ ตลอดถึงพวกเราท่านทั้งหลายได้พากันปลุกปักรักษาวัฒนธรรมไทยตั้งแต่โบรามโบราณนาการสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้ตลอดถึงขนบธรรมเนียมประเพณีในทางพระพุทธศาสนาในแก่วิธีการทำบุญมีการให้ทานมีการอุปสมบท คุณระบุคุณระทิดาให้ดำรงทรงสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้และในการต่อไปทั้งนี้ก็เพราะสติและสัพพัญญาเท่านั้นแม้ในที่สุดพวกเราท่านทั้งหลายจะทรงไว้รักษาไว้ซึ่งความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงสุด อันประกอบไปด้วยสมรรถภาพและสติปัญญาไม่มีสันใดรูปัติขึ้นมาในโลกจะยิ่งไปกว่าและเสมอเหมือนจากการเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่มีและได้รับการสมมุติดังที่กล่าวแล้วเฉพาะคุณธรรมเหล่านี้แม้เรามาฝึกฝนอบรมอยู่ในปัจจุบันนี้การที่เราจะ เป็นผู้บริสุทธิ์กราบพระได้บุญกราบคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ซึ่งเรียกว่าพระรัตนตรยัยเป็นที่ยึดเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายควรจะยึดถือเอามาเป็นสารณะที่ระลึกเคารพนับถือของตนและเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในโลกคือพื้นปีพบนี้ไม่มีอะไรจะยิ่งไปกว่า มีเทวดายินพรมเป็นต้นเพราะการถึงเทวดายินพรมนั่นไม่เป็นไ ป, เ, ปเพื่อจะยังให้เราพูดถึงนั่นหรือยังให้เราผู้ที่ยึดถือเคารพนับถือเอาเป็นที่พึ่งนั่นให้พ้นทุกข์ได้จริงคือไม่ทําให้เราผู้เคารพนับถือไม่ยึดถือให้พ้นไปจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ แต่การมาถึงพระบุตรประธรรมประสงค์นี้ซึ่งเรียกว่าพระรัตนตรยัยเป็นสิ่งที่ปรากฏการเกิดขึ้นในวงการของพระาศาสนาเท่านั้นอันนี้ท่านแสดงไว้ว่าย่อมยังบุคคลผู้ที่ยึดถือและเอาเป็นสรญลักณที่ระลึกเคารพนับถืออยู่เป็นประจา ย่อมสามารถที่จะยังให้สัตว์บุคคลผู้ที่ยึดถือนั้นพ้นไปจากทุกทุกทั้งหลายทั้งปวงได้โดยลำดับเพราะอะไรพระพุทธเจ้าพวกเราท่านทั้งหลายก็ทรงเชื่อมั่นในจิตใจของเราแล้วว่าบุคคลคนหนึ่ง ที่ได้มาเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าไม่ได้เป็นเพราะชนทั้งโลกหรือทั้งประเทศนั้นๆได้ปลุกเสกขึ้นมายอยกขึ้นมาโดยปราศจากพื้นฐานได้แก่ความเป็นจริงแต่หากเราเชื่อว่าพระพุท ธ, ธเจ้าของเราทัทั้งหลายนั้น ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงตรัสสรู้โดยลําพังพระองค์เองไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์สั่งสอนและพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้ทรงหมดอาจาักอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงได้อย่างแท้จริงพระองค์นั้นเป็นพระาราหัน มีพระวรกายมีพระวาจาและมีพระพระไทรผ่องใสบริสุทธิ์ปราศจากอาสวะกิเลสน้อยใหญ่เป็นเครื่องครอบงมระย้อมจิตใจกายของพระองค์ทุกส่วนให้ได้เกิดความเศร้าหมองและขุ ม, มัวมาเป็นเวลานา น, นจึงได้บรร n ามาพ p h อรหัตแปลว่าผู้ไกลจากกิเลส รงทรงเพี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาในหมู่สัตว์ผู้ที่เราร้อนด้วยเพลิงกีเลสและกองทุกข์ทั้งหลายและก็เป็นผู้มืดแบกว่าอยู่ในหมหันตทุกข์ในแก่วัตตาสงสารในแก่ความเกิดตายเกิดตายหาที่สุดหาที่จบที่สิ้นไม่ได้พวกเราเชื่ออย่างนี้เชื่อ เชื่อมั่นในใจของเราอย่างนี้ไม่ใช่เป็นบุคคลที่ได้รับปุกเสกหรือยกย่องจากจิตใจของผงชนผู้ที่ยังหนานแน่นด้วยกิเลสอย่างเราท่านทั้งหลายในปัจจุบันหรือไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์มีประยศและมีพระเกียรติแะมีระมำนาจ เาได้เที่ยวบีบังคับประชาชนน้อยใหญ่ให้ยกย่องพระองค์ก็หาไม่ได้พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาอย่างไรก่อนแต่ที่จะได้มาตรัเป็นพระพุทธิจา้าพวกเราท่านทั้งหลายก็ได้ทราบถึงเราจะทราบไม่มาก ถ้าเพียงเล็กๆ น, น้อยๆก็พอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาศรัทธายังศรัทธาคือความเชื่อให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเราโดยสมบูรณ์มากพอที่จะทำให้เรานนัต้องพยายามที่จะปลดเปลื้องประระในทางโลกแม้แต่ชนิดหนึ่งก็ตามหันมาสนใจในทางพระพุทธศาสนาดู ทั้งนี้ก็เพื่อจะเป็นช่องทางที่จะผ่อนคลายความเครียดในชีวิตของตนให้ลดน้อยเบาบางลงไปนั่นก็หมายถึงความชั่วนั่นเองนี่เราก็ทำให้เรามีความรู้รือมีความก้าใจมีความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้า ก่อนแต่พระองค์จะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงบำเพ็ญความดีได้แก่พระบารมีทุกภพทุกชาติเมื่อว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์ในชั้นวันณนาใดก็ตามแม้ในที่สุดบางภพชาติไปเกิดเป็นสัตว์เี้ยฉนก็ยังสามารถทรงศีลทรงธรรม ยังติดมิตรใสจิตใจไปในภพกำเนิดแห่งสันติไร่ฉันย่างนี้เป็นต้นแล้วจึงมาเป็นพระพุทธิจ้าไม่ได้มาจากความชั่วแต่มาจากความดีแต่ดีความดีของโรงนั่นก็มีอยู่สามประการความดีเบื้องต้นเป็นความดีในการเสียสละ เรียกว่าทานะคือการให้จาคคือการบริจาคทานะนั่นก็หมายถึงว่าการให้วัตถุสิ่งของจาคะนั่นก็หมายถึงการเสียสละสิ่งที่เป็นโทษมิใช่คุณเป็นธรรมชาติมีอยู่ในกายในจิตของพวกเราท่านทั้งหลายนั่นเอง เมื่อพูดง่ายๆก็ามีการจาคะมีการบริจาคกิเลสบริจาคสิ่งที่เป็นการกระทําการพูดเม่อในที่สุดความคิดอันเป็นปฏิปทาแนวทางของกิเลสที่มันเชือไปด้วยความโลภความโกรธความหลง หรือมันประกอบไปด้วยราคะโทสะโมหะมีวิชาคือความไม่รู้เป็นที่สุดถ้าหาปรากฏได้ค้นพบมีขึ้นเกิดขึ้นมีอยู่ทรงอยู่ในกายในจิตแล้วพระองค์ก็จะต้องหาวิธีและอุบายต่างๆชำระแค่ไขไม่สามารถจะชำระล้างได้หมด ก็ให้มันลดเบาบางลงไปแม่นิดหนึ่งก็ยังดีขึ้นชื่อวิสัยผู้ที่ใคร่ต่อความเจริญคือเป็นพระพุทธชา้าแล้วย่อมจะเป็นเช่นนั้นเมื่อเรามาทรงนับถือพระพุทธชาวเป็นสรณาที่พึ่งเคารพเช่นนี้เราก็ควรจะต้องหยิบยกปฏิปท า, าเครื่องดำเนินคือการบาเพ็ญบารมีของพระองค์ มาประดับเสริมความรู้มาประดับกายประดับจิตของเราดูเราก็จะเป็นผู้เจริญไม่มากก็น้อยอนี่คือส่วนที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญขั้นต่ำๆคือฐานบปารมีแม้แต่ฐานบปารมีนั้นก็มีหลายชั้นหลายในเริ่มจำเดิมตั้งแต่ขั้นให้ทานธรรมดาธรรมดา แล้วก็สูงขึ้นโดยลำดับโดยลำดับแมไในที่สุดเป็นปรมัตฐานเราท่านทั้งหลายข้อเข้าใจในเนื้อหาและก็ปฏิปทาถึงเรื่องในเรื่องของการดำเนินทานทั้งสามนีนีโปสมควรประการที่สองก็เดกกับการสร้างบารมี ด้วยวิธีการไม่มีการเสียสละดใดๆไม่มีการสูญเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นหมายถึงทรัพย์สมบัติเพื่อแรกเอากับบุญกุศลเพื่อไปซื้อไปแลกไปเปลี่ยนนลากับคุณงามความดีหากแต่เป็นการมาบังคับกายและจิตใจของตนให้คลายหายจากประยชน์ ขันนองไปตามนิสัยสันดานที่เคยถูกกิเลสครอบงำมาเป็นเวลานานไปตามภาษาสัตว์โลกให้มาอยู่ในขอบเขตขันทศีมาของคำว่าศีลและธรรมพระองค์ทรงบำเพ็ญศีลปร r มีอย่างนี้เป็นต้นมาฝึกฝนอบรมพระวรากายของพระองค์พระวาจาของพระองค์ ให้เป็นกายผู้ทรงศีลให้เป็นวาจาผู้ทรงศีลกายผู้ทรงศีล น, นั้นจะพึงกระทาอย่างไรจะพึงงยืนอย่างไรเดินอย่างไรนั่งนอนอย่างไรกินดื่มทารูปคิดอย่างไรคือจะต้องสํารวมอยู่ในความเป็นปกติไม่บาปเกิดขึ้นบาปเพราะการฆ่าสัตว์ บาเพราะการถือเอาสมบัติของบุคคลผู้อื่นด้วยลักษณะอาการด้วเจตนาขโมยบาที่จะเกิดขึ้นเพราะการกระทําไปตามแนวทางของแสดงบอกถึงว่าเป็นผู้มกักมากไม่มักน้อยสันโ ด, ดในเรื่องของกรรมมกุลบาเกิดขึ้นเพราะการพูดปดมดเท็จซอเสียดกล่าวคำหยาบ เออเช่อไรสาระแก่นสารเหล่านี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้แหละคือเป็นนิมิตหมายเป็นลักษณะของความผิดปกติในความเป็นคนเป็นสัตว์แต่นี่ความเป็นปกตินั้นท่านชีย่ยวถึงความรู้สึกนึกคิดอันตัวดั้งเดิมของมนุษย์สัตว์สัตว์มนุษย์จะเกิดมาโดยชาติชาติวันณนะสูงต่ำอย่างไรก็ตางโง่เขาตา่งาง แต่สัตว์นั้นจะต้องมีคติเป็นนันหนึ่งอันเดียวกันเกลียดทุกข์รักสุขอย่างนี้เป็นทุกเกลียดความชั่วรับชอบความดีอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของสัตว์ตโลกเป็นอย่างนี้แต่ส่วนความเป็นอยู่ของสัตว์โลกนั้นกลับตรงกันข้ามมันนั้นเป็นธรรมดาที่สัตว์ยังมีกิเลส เป็นเครื่องกดดันเป็นเครื่องบี่บังครับเป็นเครื่องนุนทรงเราสัตว์นั้นไม่สามารถที่จะดำรงตั้งอยู่ได้ในความเป็นปกติหรือดำเนินวิชีวิตของตนให้เป็นไปตามปกติของตนได้จึงต้องมีความผิดปกติได้แก่การฆ่าสัตว์เป็นต้นมันจึงเกิดขึ้น เกิดขึ้นในกายของเราในวาจาของเราเกิดขึ้นในจิตของเราเกิดขึ้นในตาหูจมูกเหล่านี้เป็นต้นของเราอยู่เสมอเราจะมองอะไรเห็นอะไรรูปแสงสีอะไรเห็นแล้มันก็ชวนให้เกิดความโลภเกิดความอยากเกิดความยินดีเกิดความพอใจเกิดความรักความใคร่ อยู่เสมอถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดไปในทางนี้มันก็เกิดตรงกันข้ามเมื่อเห็นรูปแสงสีและเกิดความกระทบกระทั่งรูปแสงสีนั่นมันมันกระทบกระทั่งในใจิตในใจของเราภาษาธรรมะท่านเรียกกับปฏิฆาคือการกระทบเมื่อกระทบแล้วมันก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมา เกิดความขัดเคืองขึ้นมาเมื่อรูปกระทบตาแสงสีกระทบตามันไม่เป็นที่จเจริญใจอย่างนี้เมื่อไปกระทบใจแล้วก็ทำให้ใจนั้นโกรธเกลียดไม่รักไม่ชอบชังแล้วก็ถ้าจะมีการกระทําะ ถ้าจะแสดงออกในทางกายทางวาจาก็าดีก็จะต้องสอแสดงไปในเรื่องของการทําร้ายหรือการทํำลายรูปแสงสีนั่นให้มันพินาศลงไปอย่างนี้เป็นต้นและในขณะเดียวกันสิ่งใดจะเกิดขึ้นดีก็ตามชั่วก็ตามรูปแสงสีที่จะเกิดขึ้นและทําให้กิเลสภายในจิตใจของเรานั่นกํำเริบเสิส่อมสลาย รักชังอย่างนี้เป็นต้นอยู่ทุกพี่ทุกวันเราก็คงมืดอยู่ทุกวันความแจ่มแจ้งชัดเจนให้เราเห็นและรู้ตามความปิดจริงนั้นมันก็ไม่ปรากฏขึ้นสักทีหนึ่งจะนับประษาอะไรที่เราสมัย อ, อดีตของเรา ที่ยังไม่ได้เข้ามาในวัดวาศาสนาหรือไม่ได้สนใจแม้แต่เราก็ามาสนใจกันอยู่ในปัจจุบันนี้โมหะคือความไม่รู้จริงไม่รู้แจ้งไม่รู้ชัดทีนี้คําว่าไม่รู้จริงรู้แจ้งรู้ชัดนั่นไปรู้ในอะไรท่านทั้งหลายจะได้เข้าใจลึกเกินไปหรือไกล จากสิ่งที่เป็นจริงมีจริงปรากฏอยู่ในตัวของท่านเลยอย่าเข้าใจว่าคำว่ารู้ไม่แจ้งไม่จริงนั่นคือรู้มรรคผลนิผ่านอันนั้นลึกเกินไปเกินความเป็นจริงที่มันจะมีอยู่ในตัวของเราแต่แท้ที่จริงคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นให้รู้แจ้งรู้ชัดรู้จริงตามความเป็นจริงนั่น นั่นก็หมายถึงลู้ในสิ่งที่มันปรากฏการเฉพาะหน้าของแต่ละบุคคลนั่นเองแต่นี่ปรากฏการเฉพาะหน้าของแต่ละบุคคลนั่นน่ะในวันหนึ่งหนึ่งนะมันมีอะไรเป็นสื่อเราทุกอยู่ทุกวันนี้เราวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้หัวใจมันไม่ว่างบ้านช่องเลือนชานของเราวัดวาของเรามันลกลุงลังไปหมด ไม่เป็นระเบียบไม่ว่างมองไปทางไหนมันก็รกบ้านลูก็เหมือนกันนี่แหละมันทําไมจึงเป็นอย่างนั้นนั่นแหละคือกิเลสมันเกะกะไปหมดมันไม่มีระเบียบเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นอย่างตาของเราเห็นลูกผูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรส เราทั้งหลายรู้ความจริงจากสิ่งเหล่านี้แล้วหรื อ, อยังว่าความจริงสัจจคือของจริงเขานั่นเป็นอย่างไรเรารู้กันแล้วหรื อ, อยังนี่เพราะเราไม่รู้เราเห็นสัมผัสกันมาตั้งแต่เกิดจนถึงขนาดมาเรียนทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เรียนลึกเข้าไปถึงใจของเราด้วยจเจริญสมาธิภาวนาจิต กันอยู่เป็นประจำก็ยังลุ่มหลงมัวเมาอยู่นั่นแหละหลงในสิ่งที่ปรากฏขึ้นถ้าเรามองไปข้างหน้าลืนตาเราเห็นแสงเห็นสีไม่มีหรอกสักวินาทีเดียวที่จะว่างเว้นเครื่องที่จะยัว่วยวนควนกิเลสของเราให้มันกระพืออยู่ตลอดเวลาไม่โลภ ก, ก็โกรธไม่โกรธก็หลงอยู่อย่างนั้น อยู่อย่างนั้นถึงเราจะหลับตาปิดตาปิดหูปิดปากหมดแล้วนะกายของเราก็ถือว่าเป็นปกติดีแล้วบาปไม่เกิดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตความชั่วในในทางกายมีฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พิชผดในประเวณีข้อสงบระงับเย็นสบายเนี่ย ความปินปป๊นผิดปกติในทางวาจาพูดปดคาหยาบส่อเสียดเพื่อเชิดเขาไม่มีปากก็หุบแล้วตา ก, ก็ปิดแต่หูยังเปิดอยู่จมูกเปิดอยู่ลิ้นของเราก็ปิดแล้วกายเปิดอยู่เหมือนกับปิดแล้วเพราะฉะนั้นเปิดหูกับใจเพียงแค่นี้มันก็วุ่นวายเหลือหลายแล้วเห็นใช่ไหมเห็นไหม สิ่งที่มันปรากฏกับหูของเราเั่นเวลานี่จิตใจของเรามันแสบสายไปพุทธโธไม่อยู่ในจิตลมไม่อยู่ในจิตจิตอยู่ในลมเจริญกรรมาฐานบทอื่นได้แก่การกำหนดปินิษฐพิจารณาธาตุขันยัตะนะโดยความเป็นธาตุโดยความเป็นของปฏิกูณโดยความเป็นอสุภะหรือโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา และแล้วการกำหนดพิจนาลึกละลึกูกกอยู่นั่นสติก็ขาดไปสัพชัญญาตัตวลูกก็ขาดไปจิตก็ลอยไปลอยไปจากปัจจุบันเมื่อลอยไปจากปัจจุบันไปหาอะไรมันก็ไปหาอารมณ์ที่ประเกิดจากมโนทวารธรรมอารมณ์ที่เป็นอดีตเป็นอนาคต อันประกอบด้วยกับทีเล็ดความรักบ้างความชังบ้างและก็ความไม่รู้บ้างนี่นะเราไม่แจ้งคำว่าไม่แจ้งไม่รู้ไม่แจ้งไม่ชัดในสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นผู้ไม่รู้ไม่แจ้งในอารมณ์ของปณิพรนธ์แนวลมของปณิพานอันนั้นมันลึกเกินไปไม่รู้ไม่แจ้งในอดีต ว่าชาติก่อนตัวเกิดมาเป็นเกิดมาจากไหนชาติก่อนเป็นอย่างไรไม่รู้แจ้งในนาคเมือ่อตายแตกดับจากพบนี้แล้วจะไปเกิดเป็นอะไรอนนั้นมันยาวไกลเกินไปอยู่ที่ปลายจมูกของเรานี่เราก็ยังไม่แจ้งกันเลยอารมณ์ที่มันเกินเกินอยู่ในจิตใจของเรา ใกล้ตัวใกล้ใจของเรานี่เราก็ยังมืดอยู่ยังไม่แจ้งเลยว่านั่นมันคืออะไรของจริงความเป็นจริงของมันมีอยู่ในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นหรือไม่เราเคยตั้งใจขุดค้นมันแล้วหรือยังถ้าเราตั้งใจขุดค้นมันแล้วเราเคยพบเคยเห็นสัจจคือความเป็นจริงซึ่งมีอยู่ในสิ่งเหล่านั้นบ้างหรื อ, อยัง และเรารู้หรื อ, อยังว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะ่นที่มันจะไม่มีสัจจคือความเป็นจริงในตัวนะั้นของมันนะมีบ้างไหมแม้แต่การเวลาซึ่งมองไม่เห็นนะจากวันเป็นคืนจากคืนเป็นวันจากคืนวันไปเป็นวันจากหลายๆวันเจดวันจากเจวันไปเป็นเดือนเป็นปีอายุของเราก็หมดไปปีหนึ่งเนี่ยหมดไปหมดไปหมดไ ป, มดไปแม้แต่การเวลานะั่นน่ะ มันก็มีสัจจคือความเป็นจริงอยู่ในตัวของมันนี่แหละพระพุทธศาสนานะ่ท่านสอนให้เราเป็นผู้รู้จริงเป็นผู้เห็นจริงใครก็ตามเมื่อมารู้จริงเห็นจริงและเห็นจริงในอะไรก็ตามกิเลสทั้งหลายเนะี่ยมันกลัวมันเกรง อาวุธที่กิเลสมันกลัวมันเก่งก็คือสัจจกของจริงได้แก่ความรู้ของจริงนั่นเองถ้าเรารู้ของไม่จริงรู้ไปเถิดจะรู้มากมายกายกองเท่าไหร่ก็ตามจะลืนตารู้จะหลับตารู้ก็ตามกิเลสมันจะไม่กลัวเลยมันจะไม่เก่งเลยแต่กิเลสที่มันกลัวคนจริงและกลัวคนเห็นของจริงเนี่ ถ้าเห็นของปลอมมันไม่กลัวมันไม่กลัวหรอกมันยิ้ถ้าเราเห็นของจริงแม้แต่นิดหนึ่งแท่นั้นมันวันไหวหลกิเลส น, น่ความวันไหวของมันน่ะวันไหวเข้าที่เข้าทางสงบระงับบางทีวันไหวลูกคือกระพือขึ้นมาเพื่อต่อต้านความเห็นของจริงนั้น ในความรู้สึกนึกคิดของเราเพรา ะ, ะนั้นคำว่ารู้จริงเห็นจริงนั่นน่ะไม่ใช่อื่นก็หมายถึงรู้จริงเห็นจริงสิ่งที่ปรากฏแก่ตัวของเราคำว่าปรากฏแก่ตัวของเรานั่นน่ะอันนั้นมันก็ยังไกลนะยังรูปประกอบปรากฏในเกิดจากตาของเราเนะี่เสียงเกิดจากหูกลิ่นเกิดจากจมูกรสเกิดจากลิ้น เย็นร้อน่อนแข็งเกิดจากกายอิทธารมอารมณ์ที่น่าปาถนาได้แ ก, ก่รูปราบยศสรรเสริญสุขของสวยของงามของดีของเด่นเรียกว่าอิทธารมเกิดจากใจอนิทธารมอารมณ์ที่ตรงกันข้ามก็เกิดจากใจ รูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสสัมผัสแม้ธรรมลมก็ดีอันนั้นมันก็เป็นสิ่งปรากฏการภายนอกเมื่อเราไปเห็นของจริงความเป็นจริงรู้จริงจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็ได้ชื่อว่าเราได้รู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงจากสิ่งภายนอกแต่แท้ที่จริงนั้น พระพุทธศาสนานี้สอนให้เรารู้จริง <_ co op> เห็นจริงภายในสิ่งที่เราจะเห็นจริงภายในตัวของเราก็ตาเนี่ยเป็นที่ตั้งที่เกิดของรูปมันอยู่ที่ไหนเราก็ได้ยึดถืออุปทานว่าเป็นตัวตนของเราอยู่ในข้อนธาตุคือ ต, ตัวตนของเราส่วนหนึ่งตาน่ะเป็นสมบัติของเราส่วนหนึ่งหู ก็เป็นสมบัติของเราส่วนหนึ่งจะมูริ่นกายตลอดทังมนโนก็เป็นสมบัติแต่ละอย่างละอย่างของเราส่วนหนึ่งสมบัตเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากมหาภูถรูปคือธาตุดินรวมอยู่ในก้อนเดียวกันดูให้ดีเรารู้หรื อ, อยังเราเห็นหรื อ, อยังของจริงเพียงแค่เนี้ยเราเห็นกันหรื อ, อยัง เพราะเราไม่เห็นน่ะนะจึงได้ไปแยกไปแบง่งไปจัดสรรปันส่วนทุกมะเหือมามันจึงเกิดขึ้นไหนจะทุกข์เพราะตารับรู้เรื่องเสียงลักชังไม่ลักไม่ชังวุ่นวายไปหมดยังไม่พอก็เรื่องของหูอีกเรื่องของจมูกเรื่องของลิ้นเรื่องของกายเรื่องของใจ ท, ทั้งที่มันเกิดขึ้นจากก้อนธาตุก้อนเดียวนี่ยกว้างศอกยาววานาคืบเท่านั้นเองเราก็ไปทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมามันเกิดจากจุดเล็กๆไม่กว้างเท่าไหร่ไม่เกินหนึ่งคืบของเราหนากว้างไม่เกินสอกของเรายาวไม่เกินหนึ่งวานที่ติดตัวเรานี่ มันเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่ไปถึงอดีตอนาคต <c oughs> ปัจจุบันก็วุ่นวายอยู่แล้ววุ่นเพราะเรารู้ไม่จริงรู้จริงไม่ได้ไม่เห็นจริงตามความเปนจริงขึ้นมาก็าศาสนานี้ท่านสอนสอนให้เรารู้ของจริงไม่ใช่ของปลอมแต่พวกเรามันชอบของปลอมอยู่เรื่อยของปลอมอยู่เรื่อย เพราะฉะนั้นถึงเราจะแจ้งในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกแล้วแม้จะทำมารมในใจของเราจะเป็นอนดีตอนาคตก็ตามมันก็ยังนอกมันก็ยังนอกแต่นี่ท่านในเข้ามาก็คือตาของเราหูจมูกริ้นกาทหาทยหรือมโนโทวานก้อนเนื้อหัวใจซึ่งมีสันฐานเท่ากำบันของเรานี่แหละนี่มันในตัวของเรา อยู่ใกล้จิตใกล้ใจของเราทท่านั้นเราก็ยังมืดมนมนตะการอยู่ทั้งๆ ท, ที่มันสร้างสรรุขทุกข์ให้แกเราความระเมือเพ้อฝันให้แกเราไม่หยุดยัง้งเดี๋ยวมันก็ไปสร้างบทลักให้เราบทใคร่บทกำหนัดยินดีเกิดความบทตัณหาคือความทะเยอทยานอยากมันมีอดีตก็อยากในอดีตมีปัจจุบันก็อยากในปัจจุบัน มีอนาคตมันก็อยากในอนาคตทั้งๆ ท, ที่อดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ดีมันคืออะไรมันเหมาะสมกับเราหรือไม่อย่างไรไม่ทราบทั้งนั้นขอให้รอยากเท่านั้นปัจจุบันแม้แต่มันจะดีแต่ว่ามันไม่เหมาะไม่ควรและเราก็ไม่ไม่มีความสา ม, มารถ ที่จะเอามันได้สิ่งที่เราต้องการนี่หมายถึงบางสิ่งบางอย่างเราก็ยังฝืนอยากเราก็ยังรู้นี่แหละมันเกิดจากโทษคือความรู้ไม่จริงตาของเรามันเป็นอะไรหูมันเป็นอะไรจมูกมันเป็นอะไรลิ้นมันเป็นอะไรรถมันเป็นไงกายมันเป็นอะไรมันเกิดจากอะไรของจริงมันเป็นยังไงเราอย่าไปเบื่อไปนาย จาปฏิบัติธรรมก็จะไปเอาบทบาินิสัยสัญดานของผู้ดีมาใช้ผู้ดีผู้ดีในโลกผู้ดีในโลกคือผู้ดีงไงเราเคยได้ยินอยู่เสมอไหมไม่แต่ตัวเราเองลูกหลานเหลินของเราเพื่อนฝูงทายทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่พ้นหรอกที่เราจะต้องได้ยินอยู่เสมอและมันก็เป็นความจริงอย่างนั้น ที่ยังคนบางคนนะเกิดเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีมาก็เดินเที่ยวหาแต่งานหาแต่งานนะแล้วก็ไม่มีงานทํำสักทีถึงจะมีงานทําก็ไม่เกินหนึ่งเดือนเพลินแล้วโดดแล้วอยู่อย่างนั้นนี่คืออะไรนี่พวกเราก็เหมือนกันมาปฏิบัติธรรม นี่น้อมเข้ามาสู่ตัวขงเราเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนั่นคือเกิดจากความว่าผู้ที่มีความรู้ด้อยความรู้ตำ่ำแต่รสนิยมมันสูงเรียกค่าตอบแทนแรงงานสูงเรื่อเกินแต่ไม่ได้คำนึงถึงตัวว่าความรู้ความสามารถเพียงแค่หางเต่าก็ไม่มีก็เรียกว่าความรู้นั้นตำ่ำ แต่รสนิยมมันสูงเกินไปคนพวกนี้นะมักจะมีเจ้าเบื่อเจ้าหนายอยู่เป็นอารมณ์นี่แหละเขาเรียกผู้ดีทำอะไรขึ้นมาสักหน่อยก็ไม่ชอบจำเจอาหารจำเจก็ไม่ชอบสถานที่ไปจำเจก็ไม่ชอบงานทำจำเจซ้ำๆกันมันก็ไม่ชอบนี่มันเป็นอย่างนั้นมันเปลี่ยนอยู่เรื่อยแต่ไม่ได้เปลี่ยนเพื่อความเจริญนะ มันไม่เจริญหรอกยิ่งทํางานรู้สึกจะรู้สึกว่าจะเป็นคนเก่งกว่ากว่าเขาทํางานประจักนะแต่เงินเดือนไม่ขึ้นหรอกยิ่งทํายิ่งน้อยยิ่งทํายิ่งน้อยมันเป็นอย่างนั้นมันก้าวหน้ามันก้าวมันก้าวไปไหนไม่ได้อย่างนี้อันนี้ฉันใดพวกเราก็เหมือนกันเราอย่าเบื่ออย่านาย เพราะว่าตาบใดความจริงยังไม่ประจักษ์แจ้งแกในตาคือปัญญายานของเราแล้วเราก็จะต้องขยันหมั่นเพี่ยนย้ำมันอยู่นั่นแหละถ้าจะบริกรรมก็บริกรรมอยู่อย่างนั้นรักษาสินยงนั้นให้ทานอยู่อย่างนั้นคนคิดพินิษพิจารณาอยู่อย่างนั้นจนกว่ามันจะแจ้ง ทีนี่ว่าคำว่าแจ้งนั้นไม่ใช่อ่านแล้วจำได้ไม่ได้ฟังแล้วจำได้หรือเราจะมีไอเรียนชวเรศเทศเป็นกันเน่งก็สามารถที่จะรอกเวียนคำพูดได้หรือเราจะไปท่องจำว่า น, นี่มันดีนะข้ออัดขอ้อธรรมํานวนนี้มันดีพยายามจดพยายามจำมันไม่ใช่เรื่องเลยมันไม่เกี่ยวเลยอย่างนี้เป็นต้น ไม่ใช่เป็นผู้ที่จะรู้จริงเพียงแต่ว่าเป็นแนวทางที่จะเราให้เราไปเพียงเพ่งไปนั่งเพ่งนัง่งพินิพิจารณาจนกว่าความจริงมันจะปรากฏชัดเกิดขึ้นจากปัญป ญ, ญาญาณของเราขึ้นมาในจิตในใจของเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราเมื่อเราเข้ามาปฏิบัติแล้ว ให้ทานอย่าเบื่อการให้อย่าเบื่อการเสียสละสิ่งที่ไม่ดีไม่งามออกจากกายและจิตของเราต้องเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรเสียสละอยู่เสมอรักชอบในการเสียสละเสมอด้วยชีวิตจิตจใจของเราได้เป็นการตีอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าของจริงนั่นแะ ถึงมันจะเป็นมีอยู่ในตัวของเราถึงแม้ว่าเราจะรู้จักรูปทางและเป้าหมายของมันแล้วบริกรรมแล้วกำหนดพิจารณาแล้วใช่ว่ามันจะเกิดความแจ่มแจ้งรู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงขึ้นมาในบัดนล้นนั่นกว่ามิได้นี่เลยเดินเห็นไม่สมัยครั้งพุทากานเดินจงกรมจนเท้าแตก ก็ยังไม่เห็นอะไรเห็นตั้งแต่ความทุกข์เห็นตั้งแต่ความวุ่นวายแม่ในที่สุดมิจฉาทิฏฐิจะเกิดขึ้นในจิตเพราะเดินจังโกมยันทางแต่มันก็ยังไม่เห็นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายไม่ต้องไปค้นคว้าอื่นไกลนอกจากคำว่ากายและจิตของเรา แม้แต่จะเป็นเรื่องของปัจจุบันก็ตามกายของเราเนี่แหละเป็นตัวปัจจุบันตัวปัจจุบันคือกายของเรานั่นมันมีความสัจจะคือความเป็นจริงของเขานั้นมีอยู่อย่างไรเราให้ทานก็ดีเรารักษาสิมก็ดีปฏิบัติธรรมอื่นเล็กน้อยก็ดีแม้ในที่สุดเรามาเจริญสมถกรรมาฐานวิปัสสนากรรมาฐาน เราทำเพื่ออะไรกันเราทำเพื่อต้องการรู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงที่มันมีอยู่แล้วมีอยู่ที่ไหนในโลกนั่นมันก็กว้างเกินไปอย่าเบื่อหน่ายในความจำเจความเบื่อหน่ายในการส้รซ้ำักซากอารมณ์มันนี่ความรู้สึกกันนี้จงกําจัด ให้มันหมดไปจากจิตจัดสันดานของเราจากนิสัยของเราแม้แต่มันจะมีอยู่จงฆ่ามันทิ้งเสียมันไม่ใช่เป็นอาวุธหรือเครื่องประกอบที่ดีมันเป็นอาวุธหรือเครื่องประกอบของหมาดของศัตรูเป็นสิ่งที่เราจะต้องกาจัดแก้ไขถ้าปรากฏว่ามันมีอยู่ตรงไหนก็ต่างในกายในจิตของเราให้เราดูซิว่า ถนนที่มันจะเป็นถนนแต่ก่อนเมื่อร้อยปีมันเป็นยังไงถนนสุขุมวิรหรือพหนโยธินจากกรุงเทพพระมหานครมาถึงสมุทรปราการเมื่อร้อยปีก่อนเป็นยังไงมันเหมือนปัจจุบันนี้ไหมมันกว้างมันใหญ่อย่างนี้ไหมมันประดับไปด้วยตึกรามันหรูหราเหมือนอย่างทุกวันนี้ไหม มันราบเรียบเหมือนอย่างทุก ว, วันนี้ไหมทุกวันนี้หลับตาเดินก็ได้ถ้าพูดตรงว่าไม่มีรถเหมือนหนอนเหมือนมดใช่ไหมนี่เราลองคิดดูเถอะแล้วใครละ่ะเป็นคนทํามันขึ้นมาก็คือคนนั่นแหละแล้วคนทําคนเดียวเหรอเดินครั้งเดียวเหรอลถวิ่งเที่ยวเดียวเนะี่มันเตี้ยราบอย่างนี้อรือเปล่ามันเดินกันตายไปไม่รู้กี่ชั่วคนเนี่ย ใช่ไหมแต่เป็นนายกก็ไม่รู้หมดไปกี่สมัยแล้วบริหารบ้านมันจึงราบเรื่อขึ้นมาอย่างนี้อันนี้ชั้นใดก็ดีการเจริญสมาธิภาวนาการปฏิบัติสินธรรมของพวกเราก็เหมือนกันถ้าตาบเราอย่าถาบใดเรายังไปถึงที่สุดคือขั้นตอนของความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแล้วมันก็จะต้องอาศัยความภาคความเพียรประพฤตปฏิบัติ ศีลก็ต้องรักษาอยู่อย่างนั่นแหละธรรมะก็ต้องปฏิบัติอยู่อย่างนั้นนะทอดทิ้งไม่ได้รักษาอยู่งั้นทาอยู่งั้นบําเพ็ญอยู่อย่างนั้นซ้ํมสร้างอย่างนั้ น, เ, น, น, น, น, นเพราะฉะนั้นเราเระวังอย่าให้อารมณ์อย่งความเบื่อหน่ายมันเกิดขึ้นเราดูไปแล้วกันมันจริงเป็นทางเป็นถนนขึ้นมาราบเรียบเป็นว่รารับตาเดินได้ไม่มีประสรค ฝากต่อน้ำเป็นลุ่มเป็นบ่ก็ไม่มีเพราะการจำศาสตร์หรือเราจะได้ต้นไม้อันมีแก่นมาทำโรงร้ า, านนาคารเสนาสนะาบ้านช่องเรือนจานเป็นที่พักพึ่งปาอาศัยนั่นเราลองคิดดูสิว่าถ้าหาก็เรามีดเทขวานไปฟันโน่นทีหนึ่งนี่ทีนีน่มันจะขาดไหมมันจะได้มาใช้ไหมไม่ได้แต่ที่เราได้มันก็ เราฟันซ้ำๆอยู่ในบริเวณซึ่งไม่ไกลกันรอบๆต้นของมันเดียวมันก็ขาดเมื่อเราฟันไปมันเหนื่อยเราก็หยุดเมื่อหายเหนื่อยเราก็ฟันต่อไปซ้ำมันอยู่นั่นแหละแล้วในที่สุดมันก็ได้มาใช้สมความประสงค์ถ้าฟันโน่นทีนี่ทีมันจะได้มาแต่ที่ไหนเล่าอันนี้ฉันใดเราก็พิจารณาอยู่อย่างนั้น บริกรรมอยู่อย่างนั้นมันไม่สงบกับบริกรรมมันจะกว่ามันสงบพิจารณาอยู่นั่นแหละกำหนดรู้อยู่อย่างนั้นแหละไม่ต้องไปคิดหาอาจารย์ไม่ต้องไปคิดหาอารมณ์กรรมาฐานอื่นว่าจะมีกรรมาฐานอื่นใดบ้างละ่ะที่จะทำให้เราบริกรรมแล้วเนี่ยสงบรวมตัวได้ง่ายมีไหม เอามีไม่มีจะไปถามใครแล้วสี่สิบห้องก็มาถามสี่สข้อนะก็กลองมดสํารวจดูสี่จะไปรอถามผู้รู้ที่ไหนเล่าถ้าจะรอถามผู้รู้น่ะผู้รู้ท่านวางไว้ตอบไว้แล้วคือพระพุทธเจ้านั่นน่ะท่านตอบไว้ให้แล้วนั่นสี่สิบข้อนั่นน่ะแล้วจะไปถามผู้รู้กับข้ า, า, าเพเจ้านี่ภาวนาอะไรมันจึงจะถูกกับจริตนิสัย บริกรรมน้อยๆจะต้องใช้บทบริกรรมอะไรไปถามใครละ่ะเคยเห็นพระพุทธเจ้าตอบใครหรือเปล่านี่ไม่มีนอกจากจะสร้างพื้นฐานให้เกิดมีขึ้นเรียนกรมน ร, ร, กรมฐานพระองค์สอนกรรมฐานก็ไปสิประกอบความเพียนกันสราระปดปรงสิ่งที่ควรสราระซึ่งไม่ใช่เป็นหน้าที่ของสมณะสารูป และก็มุ่งหน้าประกอบความเพียนกันอยู่นั่นแหละนั่งก็นั่งอยู่นั่นน่ะก็สายก้นนั่นนี้แหละเดินจงกรมก็อาศัยทางนั่นแหละเท้าอันนี้แหละจะบริกรรมกรรมาฐานก็บรทนั่นแหละผิจารณากระบบันั่นแหละหัวใจอันนี้แหละไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนโน่นที่เปลี่ยนนี่ที่ยักษ์โน่นที่ยักษ์นี่ที่ยักษ์อยู่นั่นแหละมันก็เป็นยักษ์อยู่นั่นมันก็เลยรู้ความจริงขึ้นมาไม่ได้ ถ้าตาบไดจิตของเรายังไม่สงบยังยังไม่ระงับเป็นสมาธิลงไปแล้วการที่เราจะพิจารณาอะไรรู้เห็นมันก็เป็นของยากเต่เมื่อจิตของเราสงบลงไปบ้างแล้วมีพรังจิตขึ้นมาบ้างแล้วเมื่อเราจะน้อมจิตของเราไปรู้ไปเห็นตามกระแสของปัญญามันก็พอที่จะมีความรู้สดใสขึ้นมาบ้างค่อยเห็นขึ้นมาบ้าง อันนี้จิตของเรายังมากอยู่ด้วยอารมณ์ไม่มีจิตไม่ตั้งมัน่นไม่เป็นสมาธิเมื่อมันจะไปมองไปรู้ไปอ่านไปค้นไปคิดอะไรมันก็อย่างนั้นแหละก็เหมือนอย่างการเราอ่านหนังสือตาก็ดูปากก็อ่านใจกันใจมันก็ลอยไปสู่อารมณ์อื่นอ่านไปสามแถวยังไม่รู้เรื่องเลยว่ามันอะไรนะข้อความมันว่าอย่างไรงนี่มันเป็นอย่างนั้น เพราะการทำอะไรจิตที่มันไม่จดจ่ออันนี้ชั้นใดจิตของเราที่มันมากอยู่ด้วยสัญญาโรมดีธนาคตไม่เป็นสมาธิความสงบความรวมตัวไม่มีเหมือนกับเราเดินหรือวิ่งหรือเราขึ้นยวดยานมีรถเป็นต้นแล่นไปเราจะมองสองฝั่งฝากทางแม้มีตึกมีลามเราก็เห็นไม่ชัดซึ่งมันเป็นของใหญ่ ถ้าเราจะไปดูของเล็กๆยิ่งซ้ำร้ายจะไม่เห็นมันจะติดกันหมดเพราะความเร็วของรถที่พาตัวเราวิ่งอันนี้ชั้นใดจิตที่มากอยู่ด้วยสัญญาอารมณ์ไม่มีความสงบพเหมือนกันถ้ากยากจะเรียนรู้ธรรมอยากจะรู้ธรรมคาสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าไม่มีทางไม่มีทางที่จะรู้ได้ชัดเจนเลยมันก็รู้ไปอย่างเลือนเลือนลงัลงๆงปูปูป่ป า, ปาแบบโมหะ โมหะมันแบบรู้แบบเห็นที่เลือนรางไม่ชัดจิตแตเมื่อจิตของเรามันสงบนิ่งลงไปน่นดูอะไรมันก็ค่อยชัดเจนขึ้นมาเพราะจิตมันใสสิ่งที่มันทําให้จิตของเราต้องขุ่นบวมก็คือกิเลสน้อยใหญ่มันครุ่งอยู่ในจิตของเราพรเดี๋ยวมันก็รักพรเดี๋ยวมันก็ชังอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันก็ไม่รู้ อะไรจะเกิดขึ้นมันก็ไม่รู้รู้พอปูปูปอปะเห็นพอลือนลื่นหลังๆเห็นลื่นลืนหลังๆก็บอกมันสีอะไรก็บอกสีดำใช่ไหมระไม้คล้ายกึงเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคล้ายๆผู้หญิงเนี่ยมันแสดงถึงว่าการเห็นนั้นมันไม่ชัดไม่เจนภายนอกอุปมาชันใดจิตใจของเราที่เห็น ความเป็นไปในจิตของเราในขณะที่เราเจริญสมาธิก็ดีในขณะที่เราน้อมมาธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าไปขบคิดพินิษพิจารณาก็ดีก็ฉันนั่นเหมือนกันมันก็รู้ไปแค่ๆปูปูป่ามันไม่ชัดไม่เจนอะไรเมื่อไม่ชัดไม่เจนมันก็ไม่แจาไม่แจ้งเมื่อไม่จําไม่แจ้งจิตของเรามันก็ไม่สดใสมันก็ไม่สว่าง มันก็ไม่แจ่มใสกีเลท็ทั้งหลายมันก็ไม่กลัวมันรู้อยู่ในขอบข่ายของกีเล็คือโมหะเราเดินอยู่บนทางของโมหะอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะไปอ้างว่าเราเป็นผู้รู้ทรรมเห็น ร, รมเข้าถึงธรรมก็ อ, อ้างไปสิี่ไอ้ที่อ้างนั้นก็เพราะโมหะความสำคัญผิดหลง หลงว่าเอาเองหลงสาคัญเราเองตามแนวทางของโมหะเราก็ไม่รู้อยู่วันอย่างครับเพราะฉะนั้นให้เราค้นลงไปที่นี่ย่ำลงไปที่นี่ห้ามหันลงไปที่นี่อุปมาเหมือนเราตัดต้นไม้ฟันน่นที่นี่ทีมันไม่ได้ใช่หรอกนะเราก็ต้องพิจารณาย่ำลงไปกำหนดรู้ลงไปเพ่งลงไปค้นคิดลงไป อย่าไปเบื่ออย่าไปไหนไอคนเราที่มันเบื่อมันหนายมันเกิดความอยากแทรกแซงขึ้นมาอยากจะเป็นผู้รู้ไวไวเห็นไวไวพ้นทุกไวไวอยากจะเป็นคนดิบคนดีไว้ไว้าคนเราทําอะไรไอาศัยทันหาคือความอยากมีใครได้ดีบ้างทันหามันเคยสร้างสรรค์นในคนได้ดีให้สัตว์ได้ดีที่ไหนมีอย่างดีมันก็ให้เป็นเครื่อรอรอเรียงไว้ ให้อยู่ในขอบคายเครื่องคุมขังของมันเท่านั้นแหละไม่ผิดอะไรกับหมูความดีที่เราหลงละเลงยินดีอยู่กับตันหาเป็นผู้ผิดผลให้นั้นไม่ผิดอะไรกับหมูที่เขาขุนเลี้ยงด้วยอาหารที่ดีและมีอาหารเสริมซะด้วยเพราะเขาเร่งสามเดือนหเดือนมันก็ได้ตาช่างมากได้ น้ำหนักเป็นร้อย้อยกิโลสองร้อยกิโลนั่นไม่ชช่มก็ถูกค้อนตีก็บานตายแร่เนื้อเถือนหนังไปเป็นอาหารเลี้ยงของมนุษย์ต่อไปสร้างให้เขาเป็นเศรษฐีมาหมาเศรษฐีล่ำรวยอันนี้ชั้นใดเราปฏิบัติศีลธรรมไปยินดีอยู่กับผลของทันหาเป็นเครื่องตอบแทนก็ฉันนั่นเหมือนกันในที่สุดก็ตายเปล่า พุโทโธตายเปล่าๆไม่เห็นมักเห็นผลไม่เห็นแม้กระทั่งโทษของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงที่มันปิดผลให้แก่เราเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วในสวารขาธรรมได้แก่ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงดีแล้วสันทิษ ท, ที่โกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองอากาลที่โกให้ผลโดยไม่อ้างการนัง่งวินาท ปัจจตังเวทิตับภูวินยูหิตนี่อันวินยูชนคือผู้รู้จะพึงรู้แจ้งโดยจะพาอตนนี่เรื่องของคุณของพระธรรมท่านชี้ไว้อย่างนี้เมื่อท่านชี้ไว้อย่างนี้พวกเราจะว่าอย่างไงท่านบอกเป็นผู้รู้เองเห็นเองไม่ใช่ผู้อื่นบรรดารให้เรารู้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระยสงฆ์ครูบาอาจารย์หรือเทวบุตรเทวดายินผมยบยัก สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่ให้รู้ถ้าพระพุทธเจ้าตรัสอนในรู้ก็เป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นความรู้ของพระอันว์สาวกครูบาอาจารย์เป็นความรู้ของเทวดาอินพรมมันไม่ใช่เป็นความรู้ของเราเราจะมาเป็นเครื่องประดับกลายประดับจิตของเราได้อย่างไรต่เมื่อมันจะเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องซักฟอกขัดเกลาของเราได้อย่างแท้จริงนั้น นั่นแหละต่อเมื่อเราได้เข้าถึงเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้สำ ม, มาสัมพุท ธ, ธะแต่ท่านผูร้รู้พุท ธ, ธะตัวนี้เมื่อน้อมเข้ามาแล้วกับพุท ธ, ธะก็คือจิตคือใจของเราได้แก่ผูร้รู้เราเข้าถึงผู้รู้ของเราแล้วหรือยังคือเท่าผู้รู้ของเราจริงๆเราถึงแต่ผู้รู้พร้อม รู้หรอกรู้จริงๆของเรานมันมีอะไรนักภาวนามันจะต้องรู้ถ้ายังไม่รู้ก็ต้องภาวนาให้มันรู้แต่นี่รู้ปลอมคือรู้อะไรอย่างเราภาวนาพุโทโธพุโทโธกำหนดพิจารณาและจิตของเรามันเพลิดเพลินจเจริญใจศรัทธามันก็เกิดขึ้นความสงบก็เกิดขึ้น ลืมเมื่อยลืมปวดลืมหิวลืมกระหายจิตก็ไม่เรา่าไม่ร้อนเริดอร้อนน่เนะเออจิตนิ่มก็ดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีดีนี่แหละเขาพาเราดีเราอย่าลืมนะว่าปุญญาพิสังขารอะปุญญาพิสังขารสังขารแปลว่าความปรุงแต่งคือเจ้าความนึกคิด แต่งบุญแต่งบาปเนี่ยเมื่อเราแต่งบุญแต่งบาปคือคิดบุญก็ดีคิดบาปก็ดีถ้าเราคิดบาปโดยที่ตั้งใจจะเป็นรูปายเพื่อก่อมเราให้จิตของเราส ง, งบมันก็สงบได้เราจะคิดปรุงแต่บุญนะมันจะสงบไม่เชื่อก็ลองดูซิสักหนึ่งชัวง่วโมงกำหนดปรุงแต่งกิเลสในหัวใจเราซิ ราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหก็ดีโลภตัณหาก็ ด, กดีลองปรุงดูสินั่นกิเลสใช่ไหมกิเลสมันเป็นของไม่ดีเมื่อเราตั้งสติยกจิตของเราขึ้นสู่สติสัพพัญญาจะลึกถึงคำว่าราคะความกำหนัดยินดีเรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นกิเลสลองกำหนดพิจารณาอ่านไปสิตามกระแสปัญญาของเรามันจะเป็นยังไง แต่ว่าเราควบคุมจิตของเราเข้าไว้เมื่อไปเห็นบทบาทลักษณะการที่น่ายินดีจริงๆเราก็อย่าไปยินดีเมื่อเรามีสติอยู่แล้วมันก็ระ ง, งับได้มันก็สักแต่ว่ากิเลสอ่านไปพิจารณาไปพิจารณาไปในที่สุดจิตของเราสงบ แทนที่จะมันเกิดราคะเกิดตัณหาความโลภความอยากมันก็ไม่เป็นเจริญมันเป็นสมาธิเกิดขึ้นความรวมจิตเกิดขึ้น แ, แม้แต่จะเป็นปุญญาพิสังขารก็ตามไม่จะพ่อแต่ปุญญาพิสังขารเมื่อจิตของเราปรุงแต่งในอารมณ์ที่ดีพุทโทรธธัมโมสังโฆ หรือมากำหนดรู้ลมหายใจพิจนาเกสาโลมานขาดันตาเหล่านี้มันอารมณ์ที่ดีอารมณ์เหล่านี้เมื่อเราอยู่แล้วแนบสนิทในจิตจิตแนบสนิทในอารมณ์นั้นโดยที่มีสติสัมปชัญญะคุมตัวอยู่มันก็จะต้องสร้างสรรให้เราลื่นน้อมนําเราไปสู่ความสงบอย่างแน่แท้ี่เรื่องของมันเป็นอย่างนั้น เรามันเป็นเรื่องที่ปลอดจากกิเลสมันไม่ใช่เรื่องของกิเลสถ้าหากว่าเรากำนดรูปขึ้นมาสกรูปหนึ่งรูปนี้มันเป็นที่เกิดที่ตั้งเป็นเวทีของกิเลสทั้งเจ้าราคะทั้งเจ้าโทสะทั้งเจ้าโมหะเอาเล่นละครกัมันสักฉากหนึ่งก็ได้เดวกายนครนี่ถ้าหากว่าเราตั้งอกตั้งใจกำหนดพนิตพิจารณากันด้วยมีสติอย่างแท้จริงแล้วถึงแม้มันจะเป็นยาพิษ มันก็ไม่ออกฤทธิ์ออกเดชอะไรถ้าเรามาพิจารณาโดยกำหนดรู้หรือภาวนาโดยไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วถึงแม้มันจะเป็นคุณธรรมมันจะเป็นดินเป็นน้าเป็นไฟเป็นลมมันก็ไม่เป็นอุบายที่สงบสิตสงบใจขึ้นมาได้เพลอๆไผไๆมันเป็นที่เกิดของราคะตัณหามนาตาิทีขึ้นมาอย่างนี้ เพราะฉะนั้นสิทธิคือความสําคัญมันอยู่ที่ความตั้งใจหรือเจตนาของเราที่จะมุ่งกําหนดหรือแท่งพิจารณาลงไปนะเมื่อเราตั้งจิตเป็นธรรมอะไรมันก็เป็นธรรมหมดมองลงไปมันก็เป็นธรรมหมดทั้งๆ ท, ที่มันเป็นโลกมันก็เป็นธรรมเป็นกิเลสมันก็เป็นความดีทีนี้มันเป็นความดีมันก็ยิ่งประเสริฐเนี่ยถ้าจิตของเรามีเจตนาที่เป็นธรรม อย่างจริงจังขึ้นมานึกถึงพุโทโธธรรมโมสังคงมันก็ประเสริฐมันก็เป็นจิตที่เลิศขึ้นมาด้านนั้นแม้แต่จะมากําหนดรมานาปานาสติหรือพิจารณาเกสาโลมานะขานันต์ซึ่งอาการสาสองล้วนแม้แต่จะบันดาลให้จิตของเราประเสริฐยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านั้นจะเป็นเครื่องมรารับดับจิตเป็นเครื่องกลมกล่าจิตเป็นเครื่องรักษาจิตของเราให้ดีขึ้นประเสริฐขึ้น ซึ่งประเสริฐเดิมม น, นั้นมันก็จเจริญงอกงามมากตัวแกร่า ม, มากยิ่ขึ้นเป็นข้อใหญ่ข้อโตก็จะทำให้จิตของเรามีความหนักน่วงท่วงลงสู่ความสงบมั่นคงเป็นจิตตั้งมั่นเหนียวแน่นอยู่กับคุณงามความดีถ้าจิตนั้นเป็นเกิดขึ้นจากพื้นของความสว่าง เมื่อจเจริญไปแล้วดังเก่ามันก็จะบันดาลให้เกิดความสว่างสวยัยแจ่มแจ้งขึ้นมาในจิตได้แก่ความรู้ความเห็นซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนั่นมันก็จะปรากฏชัดขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอันนีเ้เพราะฉะนั้นการพินิจพิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนเพ่งนั้นมันอยู่ที่จิตของเราตั้งเจตนามันจะเป็นภุบายหรือว่าข้ออาจข้อธรรมที่ ตรงกันข้ามกับกิเลสก็ตามเป็นเครื่องเสริมกิเลสก็ตามถ้าหากว่าจิตของเราเป็นธรรมแล้วมันย่อมจะน้อมสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมาเป็นเครื่องประดับจิตได้ทางนั้นประดับกายประดับจิตของเราได้ทางนั้นเป็นจิตประเสริฐได้ทางนั้นทําให้จิตของเราสว่างสวัยแจม่มแจ้งขึ้นมาของแต่ละขณะที่เรากําหนดพินิษฐ์พิรากระทำำําบําเพ็ญซึ่งความภาคความเปลี่ยนที่เราประกอบขึ้นมานะเพราะฉะนั้นน่ะ ให้เราเพลี่ยนเพ่งอยู่ในกายในจิตของเรานี่เราระวังอย่าให้เกิดความเบื่อหน่ายเพราะความซ้ำซากเพราะความจำเจเระวังความอยากที่มันจะจุดกระชากรากจิตนอมจิตของเราให้ไปสู่ในสถานที่อื่นอารมณ์อื่นหลักการอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราระมัดระวังอย่างนี้แล้วเนี่ยเราตั้งความเปลี่ยนลงไป เมื่อเราตั้งความเปลี่ยนลงไปผลของมันจะต้องปรากฏได้แก่ความสงบได้แก่ความระนับเมื่อจิตของเราสงบระงับแล้วถ้าเรายิ่งเพ่งมันก็ยิ่งเป็นถ้าเรายิ่งพิจารณามันก็ยิ่งเกิดมันก็ยิ่งจะสว่างมันก็เท่านั้นเองเรื่องของมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตของเรารวมตัวแล้วสงบแล้ว เราพิจารณาความสงบบางขั้นตอนนั้นเราไม่ต้องถอนจิตเราก็สามารถกำหนดินิทพิจารณาได้การพิจารณาในขั้นจิตตอนนี้ขั้นนี้นั้นไม่เป็นวิปัสสนาแต่พิจารณาเพื่อเป็นการฟอกจิตของเรานั้นเมื่อเราพิจารณาไปไปไปแล้วจิตจะกลับรวมตัวเข้ามาถ้าจิตกลับรวมตัวเพราะการพิจารณาแล้วนั้น อันนี้จะรวมลึกลงไปความสงบจะแน่นเหนียวมั่นคงลึกซึ่งเยือกเย็นกว่าตอนแรกนี่มันจะเป็นอย่างนั้นยังไม่เป็นวิปัสสนาเพราะว่าพื้นฐานของจิตของผู้ปฏิบัตินั้นยังไม่พอทีนี้เมื่อมันรวมตัวลงไปเพราะการบริกรรมหรือการพิจารณาดังกล่าวก็ตามอาจจะเกิด มีความรู้ความเห็นซึ่งเป็นอุกานิมิตรเนี่ยถ้าจะพูดถึงเรื่องของนิมิตแล้วนะเมื่อก่าวกันสั้นๆแล้วมันจะไปแปลกอะไรกับการที่เราลืนตาไม่ภาวนาหินเขียวๆดำๆแดงๆอยู่เต็มตาเราเต็มโลกทุกวันนะ่น่ะเกิดก็มีตายก็มีสมหวังก็มีผิดหวังก็มีทุกเก์เ้็นตายทุกถึงตายก็มีเห็นหมด ภาพอที่น่ากลัวยิ่งกว่ายักษ์กวามารก็มีเนี่ยถ้าเราลองไปถือเอาสิไปถือเหมือนอย่างเราเป็นนักภาวนาอุกขะอุกขานิมิตรมันเกิดขึ้นเน่เราลองถือเอาสิข้างนอกมันจะเป็นยังไงบ้างเราจะลงจากบ้านเราไปได้กี่หลังคาเรือนนี่เกิดเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายมันก็เหมือนกันนั่นแหละข้างนอกวุ่นวายอย่างไรถือเอาไม่ได้อย่างไร เป็นเราเป็นเขาอยู่อย่างไรข้างในก็ฉนันนนเราจะไปสำคัญอะไรกันนักหนาะแม้แต่เขาจะแสดงนี่คือนิพพานนิพพานก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่นิพพานนี่เขาแสดงถึงความบริสุทธิ์ธรรมชาติจิตเป็นอย่างนี้นะที่มันไม่มีกิเลสเป็นอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของความบริสุทธิ์บริสุทธิ์มันไม่ใช่เรา มันเพียงแค่เป็นนิมิตแสดงให้เห็นนี่ผมพูดใเจ้าแสงเป็นอย่างนี้ท่านพอรีแสงเป็นอย่างนั้นหลวงปู่มั่นแสงเป็นอย่างโน้นอะไรต่อมีอะไรก็ตามเถิดนั่นเป็นเรื่องของนิมิตก็บอกความจริงมันจะจริงตามนั้นหรือไม่จริงตามนั้นก็ยกไว้มันก็เป็นเรื่องของท่านแล้วก็เป็นเรื่องของเราเป็นผู้เห็นแม้แต่เราอาเป็นผู้เห็นเราจะไปสาคัญว่าเราเห็นเราลู่เรามีเราเป็นมันก็ไม่ได้ ถ้าเราจะสำคัญเราอย่างนั้นทำไมล่ะเรานั่งรถบนถนนไปเห็นในโ น, น่นในนี่ทำไมไม่เข้าไปยึดเทื อ, อาบ้างล่ะเนี่ยเห็นสมบัติเขาอยู่ในบ้านเขานะทาไมไม่ไปหอบไปฮิ้วเอามาเป็นของเราบ้างทำอย่างนั้นดูบ้างไม่ได้หรือเนี่ยถ้ามันรู้ไม่จริงลองทำอย่างนั้นดูสิภอาอันามันหลงแล้วไปเถื อ, เอาข้างนอกดูสิเขาอยาคลอนใส่กระบาลเราเนี่ะ น, นี่มันไม่ใช่อะไรหรอกให้เราพากันพิจารณา มันเกิดขึ้นมันเป็นผลอจากการปฏิบัติของเราเป็นขึ้นประดับเราอย่าไปติดไปถืออย่าไปสำคัญมั่นหมายปล่อยไปตามสภาพแม้แต่ความสุขที่สุดละเอียดที่สุดมันเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งนึกคิดเพราะจิตปุงจนจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นเอกคตาลมนะ และปัญญาพินิจพินาไปเย็นไปสบายไปแจ่มใจสว่างไม่มีอะไรสงสัย อ, อันนี้ให้เราทั้งหลายเข้าใจตัวว่ารู้จักไหมสังขารสังขารแปลว่าความปรุงแต่งวิสังขารคือการไม่ปรุงไม่แต่งเข้าใจไหมแต่นี้เมื่อเราปรุงแต่งสังขารบอกแล้ว จิตเป็นธรรมปรุงอะไรมันก็ดีมันก็สงบมันก็สว่างสวัยเยือกเย็นเบิกบานยิ้มย้มดูเหมือนว่าไม่มีราคะโทสะโมหะย่าอยู่ในราคะโทสะโมหะอยู่นั่นนะความกาหนัดยินดีจะเป็นราคะก็ตามกามก็ตามอยู่กับมนุษย์ก็ตามอยู่กับสัตว์ก็ตามความรู้มันเร่นไปทุกซอกทุกซอ ก, ท, ก, อกทุกมุม แต่ความเป็นจริงเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นในจิตในขณะนั้นเพราะมันมีสติอยู่เพราะจิตมันรวมอยู่แน่มันเลยกลายเป็นเครื่องฟอกจิตเสียมันก็เลยเป็นปัญญาประดับจิตไปเสริมจิตไปจะนับภาษาอะไรที่เราไปปรุงแต่งแล้วลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าย่อๆคือพุทโธพระธรรมธรรมโมสังคุพระสงฆ์สังโฆพิสดานก็ ในพระคุณเก้าดัแลพิจารณาไปพิจารณาไประลึกไประลึกไปจิตเพิดเพลินยิ้ ม, ย, มย้มแจ่มใสปรุงไปแต่งไปเป็นอัฐเป็นธรรมเพิดเพลินไปนี่ความสว่างเกิดขึ้นแสงสีเกิดขึ้นบอกถึงเว่า น, นี่แสงสีรัศมีของพระรัตตนาใจพระพุะทธธรรมประสงค์จะต้องเป็นสีเงินสีทองอะไรต่อมีอะไรนะ ตลอดถึงบอกจิตของเจ้าของบริสุทธิ์นะจิตบริสุทธิ์ด้วยเป็นแสงนวลพองใสเหมือนแก้วนั่นมันเป็นนิมิตบอกถึงเทียบกับความบริสุทธิ์ในจิตของเราเฉยแต่จิตของเราไม่ใช่เป็นจิตที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงตามนั้นมันใสได้มันก็ขุนได้มันก็มัวได้ถ้าเมื่อออกจากสภาวะคือความเป็นอย่างนั้นถอยออกจากความเป็นอย่างนั้น ทีนี้เมื่อเราเป็นอย่างนั้นแล้วมันถอยออกมาแล้วมันไม่แล้วดีมันก็ว่าเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นแหน่อะไรมันผาว่ามันอยากตัวตัณหาผาว่าผาปินมันก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวตัณหานี่เพราะฉะนั้นในความดีเนี่ยอุญญาพิสังขารแต่งดีเมื่อเราแต่งดีเป็นแล้วนะเนี่แต่งก็มันเป็นปฐมฌานก็ได้จะตุตฌานก็ได้ รูปประชานก็ได้เห็นไหมเล่เาไปนรกสวรรค์ก็ได้นี่สังขารมันแต่งดีนะแล้วเราไปสําคัญสังขาราเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นไงมันจะถูกที่ไหนเราเมื่อมีการแต่งที่ไหนมันก็มีทุกข์ที่นั่นแล้วเกิดได้มันก็ดับได้เตซังบูปะ ส, สุขโมซุโกการเข้าไปสงบระ ง, งับสังขารเป็นสุขเนี่ยท่านว่าอย่างนี้จะว่าไง พวกเราจะว่างไงนี่แหละเพรา ะ, ะนั้นเมื่อสังขารมันหลุดไปจากจิตนะไม่ดีไม่ชั่วจิตนั้นไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีมืดไม่มีสว่างนิมิตหมายที่จะทำให้จิตดีจิตว่างจิตใสจิตคุน้นจิตมัวเพราะมีลักษณะแสงสีต่างๆไม่มีนั่นจิตไม่มีสังขาร บุญญาไม่มีปุญญาไม่มีแม้แต่จะเป็นปุญญาที่แต่งดีเป็นรูปประชานะรูปประชายให้มันแต่งไปถึงไหนเองไหมละ่ะมันแต่งได้ซึ่งถึงไหนเล่าสังขารนนะ่ะพระเทวทัตนะ่ะขอเออเดินอากาศดำดินบินวนะนะั่นน่ะคืออะไรปุญญาไป่สังขารมันแต่งให้จิตของท่านประเสริฐไม่ใช่หรอประเสริฐแบบอย่างโลกีนี่แหละ ในนี้เมื่อจิตมันไม่หลุดจากสังขารนนะ่มันก็หลงอยู่นั่นสิมันก็สํำคัญอยู่นั่นแหละเมื่อจิตมันหลงนะท่านจะคุณเทศหลวงปู่เทศท่านเขียนไว้นะ่เคยอ่านไหมเล่าเมื่อภาวนาไปปรุงไปเนะี่ยพอจิตมันหลุดหลุดจากเจ้าสังขารนนะี่ยปรุงบุญปรุงบาปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปรุงบุญนี่แหละนะ มันก็เหลือแต่ตัวรูรุนล้ว ด, ด, ดจะว่าสุขเพราะเย็นก็ไม่ใช่ไม่มีจะว่าเพราะเบาก็ไม่มีจะว่าเพราะสว่างก็ไม่มีจะว่าเพราะดับกิเลสได้เพราะรูปปาชัน์ดับกิเลสได้เพราะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีนั่นแหละจิตที่อยู่นอกคำว่าสังขารเป็นวิสังขารเพรา ะ, ะนั้นจึงขอฝากไว้ ให้แกพวกเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้นำไปพินิษพิจารณาในการปฏิบัติและความสำคัญมั่นหมายในสิ่งที่ปรากฏการภายในจิตใจในรูปลักษณะของการเจริญสมาธิอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นในชี้แจงแสดงมาก็พอควรแก่เวลาเฮววงก็มีด้วยประการในธรรมะซึ่งเรียกว่าริยสับนัน มีอยู่เจ็ดประการด้วยกันข้อที่หนึ่งได้แก่ศรัทธาซับคือศรัทธาซึ่งแปลว่าความเชื่อลักษณะของความเชื่อนั่นก็มีอยู่สประการคือหนึ่งเชื่อกรรมในแก่การกระทา ทั้งในส่วนกายวาจาและจิตมีได้หมายถึงให้เชื่อรางโชครางสองให้เชื่อวกรรมเป็นของของตนไม่ใช่เป็นของผู้อื่นสามเชื่อผลของกรรมบุคคลเมื่อ ประกอบกรรมดีก็ตามชั่วก็ตามผมของการกระทาคือกรรมนั่นย่อมมีหาใช่ไรผลไม่และสีเชื่อพระปัญญาในการตัดสู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมายถึงพระพุทธเจ้า ของเราท่านทั้งหลายถ้าจะเปรียบพระองค์ก็เป็นเสมือนหนึ่งว่าเป็นเจ้าของแห่งพระพุทธศาสนาได้แก่คำสอนทั้งหลายทั้งปวงว่าพระองค์ได้ทรงตัดสรู้อย่างแท้จริงไม่ได้หมายถึงการคาดคะเนและเดาและ เป็นความรู้ที่เชื่อถือสืบกันมาตั้งแต่โบราณนกัาหากเป็นการตรัสรู้ด้วยพระปัญญาของพระองค์หรือส่วนพระองค์เองอย่างแท้จริงอันนี้เป็นเรื่องของศรัทธาศีลซึ่งเป็นซับข้อเป็นนริยทรั์ข้อที่สอง จะเป็นสินห้าสินแปดสินสิบและสินสองร้อยี่สิบเจ็ดก็ดีรวนแล้วแต่เป็นอริจจสัพสินแต่ละอย่างเมื่อกล่าวโดยรวบรัดสินก็หมายถึงความสัมรวมกาย สำรวมวาจาให้อยู่ในความเป็นปกติเรียบร้อยไม่เกะกะวุ่นวายคำว่าสำรวมกายสำรวมวาจาให้อยู่ในความเป็นปกติตันนี้กายอันใด ซึ่งจะมีการเคลื่อนไหวแสดงออกไปผิดจากลักษณะภาวะในความเป็นที่ถูกต้องที่ดีงามที่เป็นธรรมของตนเราก็พึงสํารวมกายของเราเข้าไว้อย่าให้แสดงออก เกินขอบเขตภาวะในความเป็นแห่งตนวาจาวาจาใดที่เราจะกล่าวพูดออกไปซึ่งมันจะเกินแค่ความเหมาะสมในภาวะความเป็นของเราเราก็พึงงดเสีย งดเสียเว้นเสียยับยังเสียความคิดก็เช่นเดียวกันแต่นี้คำว่าภาวะของตนอันนี้เป็นปัญหายุ่งยากมากเป็นเรื่องที่กว้างแทบจะกล่าวได้ว่าไม่มีประมาณให้เราน้อมเข้ามา หันเข้ามาดูตัวของเราเพียงแค่มันเล็กๆน้ำหนักก็ไม่เท่าไหร่กว้างยาวก็ไม่เท่าไหร่หนาก็ไม่เท่าไหร่โบราณท่านกล่าวว่ากว้างสอบยาววาหนาคือเพียงแค่นี้ปัญจาสาขาขานขาสองแขนสองศีษะหนึ่งก็มีเพียงแค่นี้ถึงจะมีมากกว่านี้ มันก็เคียงแค่ปัญจามองลงไปไปลายมือปลายแขนของเราก็มีห้านิ้วเท้าก็มีห้านิ้วเพียงแค่นี้ถ้ามีเกินป่านี้เขาเรียกคนผิดปกติอาจจะมีสิบเ็ดนิ้วส2บสองนิ้วย4นิ้วอะไรทำนองนี้ปริมณฑลแห่งกายเรามันก็ไม่มากแต่กายของเราลองรับเอาภาวะคือความเป็น โดยเป็นที่สัจจะสมมติทสัจจะเป็นตามสภาพความเป็นจริงเป็นโดยที่เขาสมมติให้เป็นอย่างเราเขาเรียกก็เป็นคนชาววัดชาววาก็เพราะเรามาวัดเสมอเสมอเขาก็ใส่ชื่อเป็นคนชาววัดชาววาหรือเป็นรูบาสุบาศิกาเป็นแม่ชี เป็นภิกษุเป็นสา ม, มเณรตลอดถึงเป็นอะไรอีกมากมายทั้งในทางโลกก็ดีในทางพระพุทธศาสนาก็ดีสมมุติให้เป็นเยอะแยะและการสมมุติให้เป็นนั่นความจริงนั่นจะดีโดยสมมุติ จะเป็นจริงโดยสมมุตินั่นก็หาไม่ได้ถ้าปราศจากคุณเครื่องหรือหน้าที่การเป็นอะไรนั่นต้องมีหน้าที่ทั้งนั้นแหละเป็นอุบาสกอุบาสิกาคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาก็มีอย่างน้อยก็ต้องมีสินห้านี่หมายถึงไม่ได้บวชเป็นเพศขาวคือแม่ชีจะต้องมีสินห้าเป็นประจํา นอกจากนั้นก็ยังมีคุณธรรมประกอบเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธระธรรมพระสงฆ์นับถือศาสนาไม่นอกไม่นับถือศาสนาอื่น <c oughs> ไม่ถือมงคลตื่นข่าวไม่ค้าขายสิ่งที่ผิดค้าขายสตรอาวุธค้าขายสัตว์าาตเป็นเหล่านี้เป็นต้น ในนอกจากจะไม่ทำบาปแล้วนอกจากจะมีศีลแล้วก็ยังมีคุณธรรมเป็นเครื่องประกอบหรือกากับเป็นนิมิตเครื่องหมายนะั่นแหละคือหน้าที่ของคำวมาอุบาสกในทางพระพุทธศาสนานี้ไม่ใช่อุบาสกเพียงแต่ว่าชื่ออุบาสิกาเพียงแต่ต่วชื่อเห็นเข้าวัดบ่อยๆกันแลวผู้ชายก็เรียกอุบาสกก็วัดบ่อยๆผู้หญิงก็เรียกอุบาสิกา หรือเห็นว่าบวชเป็นเมช่ชีมีสินเกตเขาเรียกวอุบาสิกาแต่บางชีบางทีชีอุบาสิกานั้นก็ขาดคุณธรรมเครื่องประกอบของคำว่าอุบาสิกาข้อใดข้อหนึ่งถึงจะเป็นชีเกตกะบอกถึงว่านับถือศาสนาแต่ว่าอาจจะไปนับถือศาสนาผีก็ได้ศาสนาเปรตก็ได้ ศาสนายักษ์ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นไม่ไดถึงพระพุทธธรรมประสงค์อย่างแท้จริงอย่างนี้ไม่จัดว่าจะเป็นอุบาสุอาสกอุบาสิกาที่แท้จริงเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่จอมปลอมเป็นแต่ในคราบแต่หัวใจนั่นนะ่ะไม่ได้เป็นหรอกหัวใจจริงๆไม่ได้ถึงพระพุทธธรรมประสงค์อย่างแท้จริง ยังโลเลเหลวไหลอยู่หาแค่เครื่องเลี้ยงชีพก็ยังโลเลเหลวไหลเอาแต่ว่าให้มันได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคําว่าสํารวมศีลแปลว่าสํารวมกายนี่มันง่ายสํารวมวาจาให้อยู่ในความเป็นปกติไม่เกินขอบเขตภาวาในความเป็นของตน ทีนี้พาว่าในความเป็นของเราจึงบอกแล้วว่าได้รับสมมุติมากมกายก่ายกองถบวบนานไปก็ได้รับสมมุติเพิ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆถึงเขาจะไม่สมมุติให้เป็นเจ้าวาดรองเจ้าวาดผู้ช่วยหรือว่าแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริหารว่าด้วยการเผยแพร่ปกครอง สาธุประโภกอะไรพวกตามเถอะมันก็จะต้องรับผิดชอบในหน้าที่ในภาวะที่เราจเจริญไปโดยลำดับเป็นพระเป็ น, น, นเนนเจริญไปโดยลำดับจะเจริญไปโดยลำดับนี่แหละคำว่าสํารวมกายสํารวมวาจาให้อยู่ในความเป็นปกติเมื่อกล่าวสั้นๆว่าไม่เกินขอบเขตภาวะในความปิ่นของเรา ในรวมกล่าวเด่นสัส้นนี่คือสินเป็นรั์บริยทัพ ย, พย์ข้อที่สองข้อที่สามได้แก่ฮิลิแปลว่าความระอายต่อบาปทั้งในที่รับและที่แจ่มสินนั้นยังต้องอาศัยเจตนาสินที่ล่วง การล่วงสินแต่ละข้อนั้นของพระของเนมกับของญาติโยมนั้นไม่เหมือนกันของพระนั้นบางทีไม่ต้องมีเจตนาเผลอไผลหลงลืมทำลงไปก็ผิดสินของพระผิดสินของตนได้แต่สินของญาติโยมนั้น ทำด้วยความเผลอและหลงหลืมสินไม่ขาดถ้ายังปราศจากเจตนาคือความจงใจหรือตั้งใจเป็นองค์ประกอบแล้วนี่ต่างกันตรงนี้ผิดกันตรงนี้แตกต่างกันตรงนี้เพราะฉะนั้นคำว่าฮีเลสแปลว่าความละอายต่อบาปนี้มันไม่ใช่เรื่องของกาย ไม่ใช่เรื่องของวาจาไม่เรื่องใช่เรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายแต่เป็นเรื่องของจิตใจโดยเฉพาะเข้าถึงจิตใจโดยตรงอยู่ที่จิตใจโดยตรงคําว่าฮิริแปลว่าความระอายต่อป่าจึงไม่มีคําว่าที่ลับหรือที่แจ หมายถึงว่าคนจะเห็นคนจะรู้หรือไม่เห็นไม่รู้ก็ต่างถ้าบุคคลผู้ใดมีฮิริทำขึ้นมาในจิตในใจแล้วบุคคลผู้นั้นจะพึงระอายจะพึงกลัวต่อบาปคำว่าบาปนั่นก็คือความผิดผิดไปจากใน ครองทางที่ถูกที่ชอบหรือผิดไปจากแนวทางแม้แต่เราประจัปฏิบัติเพื่อเป็นการขัดเกลียวชำระซึ่งความชั่วเป็นเรื่องของความไม่ดีงามนั้นให้หมดไปสิ้นไปจากกายวาจาของเราฮิหลได้ชื่อว่า เป็นลาลียทรับข้อที่สามแปลว่าระอายต่อบะมีความระอายต่อบาขึ้นชื่อว่าบาปแล้วเป็นสิ่งที่น่าระอายมากไม่อาจที่จะวิสาสะด้วยได้ถ้าเป็นคนก็ไม่ไม่สามารถที่จะคบด้วยได้ไม่สามารถที่จะนั่งใกล้นอนใกล้เ <c oughs> จรจาพาธี ในลักษณะของความสนิทสมนมเป็นมิตรเป็นสหายได้เพราะมันเกิดมีความระยขึ้นในจิตมันเป็นที่น่าระายระยด้วยที่เรียกว่าถ้าผู้รู้หรือว่านักปราชบัณฑิตหรือว่าคนเขามาเห็นเราอยู่ร่วมกับบุคคลที่ไม่สมควรมันก็พรอยให้ทำลรอทับพรอยให้เราต้อง ลดแสงสีคือคุณความดีของเราลงไปเหมือนอย่างเราเหมือนอิตรีเดินตามหลังหญิงเสเพหรือบุรุษเดินตามหลังบุคคลขี่เมาหรือไปนั่งในร้านสุราถึงเราจะไม่ดื่มอย่างนี้ บุคคลเขาสัญจรไปมาเห็นเ้าก็ต้องเข้าใจว่าเราเป็นนักดึงหรือว่าคอทองแดงยิ้มก็เหมือนกันถ้าจะเป็นนั่งอยู่ในโงรงล่านที่ไม่สมควรแล้วคนที่เขารู้เห็นเ็าก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นถึงเราจะเป็นคนบริสุทธิ์ผุดผ่องก็ตามอย่างนี้เป็นต้นคาว่าฮิรินัน ก็หมายถึงความระยต่อบาปฉันนั่นเหมือนกันขึ้นชื่อว่าบาปแล้วมันรู้สึกให้มีความระยขึ้นในจิตถ้าจะเป็นการกระทำก็ไม่กล้าจะทำเป็นการพูดก็ไม่สมควรจะพูดนี่คือความระยถ้าเป็นความคิด